أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترك البحر ر و ا ترقوا <تصفيق> من ج ن ا ت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 وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين اللهم ف ا ت ر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومالك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر ن ف س ي ف ช ش ่ร์ช ا, ا, أ, إ, إ, ش له له أ, أ ل ش ันและชั่รค์แล ر อันอักรที่ฟะละนัฟ ا ีสุอันอว لا จุรห์อิล ل มุสลิม ا าอิลาอ ل ลล ل ฮูอัลลอ ل ู م ่ ل ชาริกัลละล่ะหุลุล ا ุวะ و ่ะหุ م ฮั ل ด ا วะวะ ي ะกุลลิชัยน์กัลีร์รับบีอัซอะ ل ุกอัคไคร์ ر ับประ ب ุขบุค ا ลใน ا า ن าบินใ ا ب าร์แ ا ะ ن าญาบินในลั ف ร ب อัลลัฮุ์มะอฟินีฟีบดันีและอฟินีฟีซ ي ب ไนและอฟินีฟีบัซรีสุบฮานุลลาห์และบิฮัมต์อีอาดั ي ัลกิฮีและริดาอั ي ا ت อัล ي ัชฮีและมิดาดัลก อิลลากนัฟรีทัรฟะตาอินหัสบิยัลลอฮ์วะนิาลคิล السلام عليكم ورحمة ا ل ل و ب ك ا ت ه พี่น้องที่ร่วมนิมนตุสวดที่มัสยิดอันวาลิสุนนะที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามตับเซลกุรานผ่านเฟซบุ๊กสวรรค์ในบ้านที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านพี่น้องทั้งหลายครับประหัมดุลลิละก่อนอื่นเราขอสุกต่ออัลล ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับในทุกๆโอกาสแตะต้องนึกถึงอัลลอฮ์ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์ที่อัลลอ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างกลางวันสร้างกลางคืนสร้างมนุษย์และสรรพสิ่งที่อยู่รอบดว้รบรบดวรอบๆตัวเราเดี๋ยวอัลลอฮ์งนบีมาเนี่ยประมาณหนึ่ง0สองสี่พันท่าน นบีคนสุดท้ายคือนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอัสซาลลัมถามว่าสลงมาทำามเยอะถึงขานาดนี้ต่างแต่มีโลกใบนี้มาเนี่ยส่งนบีมาทุกยุคทุกสมัยเพื่อมาจงการให้มนุษย์เนี่ยเดินหลงทางแต่ทั้งๆที่มีนบีมาหนึ่งพันหนึ่งแสสองมืสี่พันท่านนี่คนยังเดินหลงทางมีไหม เยอะมากเลยแสดงว่าไม่มีใครที่จะดีเท่า ก, กับมนุษย์แล้วก็ไม่มีใครที่จะเลวอยู่กับมนุษย์่าที่มนุษย์หมดเลยนันดูความเมตตาอัลลอฮฺเราแต่งบทาอันกูร์อันคำพีกุรอันใ น, นเหลืออยู่เล่มเดียวก่อนหน้าคำภีรกุร์อันมีซาบุอินจีลเตารอสามสี่ฉบับนะ อัลลอฮ์ขอร้องให้บรรดาผู้รู้ในทุกศาสนานี่ให้ดูแลคำพี่ของอัลลอฮ์หน่อยอัลลอ์กล่าวบอกว่าอิสต์ฟารู์ขอขอร้องนะให้ช่วยกันดูแลหน่อยขอร้องผู้รู้เนี่ยแต่ไม่มีใครดูแลสักคนทนึงทลายหมดเปลี่ยนแปลงสังคยาณาทดลองมาแล้วสามสี่จะแบบฉบับสุดท้ายคือกุาลานอัลลอ์บอกว่าฉันขอรักษาเอง วออินนาลาหูลาฮาฟิรูนฉันขอรักษากุรอ่านเล่มนี้อลัลลอ์ดูแลไม่ไว้ใจมนุษย์แล้วขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราทบทวนอัลกุรอานมาปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่เนี่ยสี่สิบเอ็ดแล้วจะขึ้นเนี่ยสี่สบเอีกไม่กี่ไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะวันนี้มาถึงสุราอัดดุคอนอัดดุคอนเนี่ยแปลว่าอะไรนะไอหมอกอ หรือว่ามควนสุรที่44นะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านมาถึงชีวิตของนบีมูซาแล้วก็บรรดาบรนดานาบีพวกบันิอิสโลอีนเนี่ย <c oughs> บันิอิสโลอีนเนี่ยลูกหลานของนบีอิบรอฮมหัวหน้าหัวหน้าตระกูลคือนบีอิสฮก นบีอิบราฮิมมีลูกสองคนนะลูกคนแรกนะชื่ออิสมาอินภรรยาชื่อนางฮะจัดอัลลอฮ์ให้สั่งให้ในบีอิบราฮาิมให้พานางฮะจัดกับอิสมาอินไปไว้ที่นครมักกะจนถึงปัจจุ บ, บันนี้แล้วท่านกลับมากลับมาประเทศปาเลสไตน์แล้วก็มัมีมีต่อมามีลูกอีกคนนึงชื่ออิสฮาก อิสฮางนี่แหละเป็นต้นตระกูลของบันิอิสรออีนทั้งหมดมาถึงนบีนบีอิสซาคนสุดท้ายอ่านจากรูอ่านเนี่ยได้ขอ้อได้ข้อคิดตัว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานให้แก่พวกบันิอิสรออีนเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวจะเล่านะจะไล่สักหกรายการนะว่า อัลลอฮ์เนเมตตาพวกบันิอิสรออีนเนี่ยแค่ไหนหนึ่งเป็นประชาชาติที่มีความประเสรตกว่าประชาชาติอื่นทั้งหมด فضل นาอัลลาละมีอัลลอยกให้เป็นประชาชาติที่เด่นที่สุดไอความเด่นนี่แหละทําให้ตะกำ บ, บุรเรื่องที่สองอัลลอฮ์เนี่ย ให้ฟรนโนเนี่ยคือฟรนโอนเนี่ ย, นนยและวงวานของของบณนีอิสรารอีนนี่นะฟาโรเนี่ ย, นะนนยจับคนเหล่านี้เป็นทาสหมดเลยอัลลอฮ์ให้กับฟรนอโอนเยอะตำแหน่งเยอะเป็นกษัตริย์แต่เวลามีอำนาจแล้วมันทำไงจับคนในชาติตัวเองอ่ะมีอยู่สองกลุ่งอนะ่ะ กลุ่มกีบตี้กับกลุ่มบันิอิสรอินบางบ้านเราอนะมีอธิบายง่ายๆนะเสือ้อเสื้ออะไรเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเอแล้วแล้วก็เอาล้อส่งนบีมูซาม า, มาปดปล่อยบันิอิสรอินอะอยาให้ตกเป็นทาสของฟิลิปปนสอ่งเป็นเนี้ยเปความปวดปลาทั้งหมดเลยนะแต่บันิอิสรอิน ล, ลืมเรื่องที่สาม Allah ani, อ Allah ให้ศัตรูบันิของของบันิอิสราเีลเนี่ยคือฟิลิปเนี่ยและทหารอีก7แสนกว่าคนเนี่ยจมน้ำตายในอยายะที่เนี่ยอยายะที่ยี่2ี่เนี่ยฟะอัศรีบิอิบาดีไลลันอินนักุมมุตตะบะอุนอ Allah ตรัสว่ามูซาจงนำปวงเบาของฉันเนี่ยเดินทาง หนีไปในเวลากลางคืนจากประเทศอียิปต์หนีข้ามทะเลไปเนี่ยนะแล้วก็เล่าให้มูซาฟังและพวกฟาโร่เนี่ยและพวกทหารของเขาอีเจ็ดแสนคนจะเดินตามพวกคุณมาฆ่าคุณเรื่องที่สี่นะครับเมื่อพวกบนีอิสรอเอลขึ้นฝังไปแล้วนะอัลลอ์ก็ ได้ประทานอะไรนะ่ะตาน้ำปุีิขอขอน้ำอลัลลอฮ์ก็ให้ตาน้ำมาสิบสองตาน้ำกตะกลนบรรณีอิสล อ, อีก็มีอยู่สิบสองกลุ่มนะครับนี่เป็นความเมตตาของอลัลลอฮ์ข้อที่ห้าอัลลอฮ์ให้ก้อนเมฆเนี่ยคือความจริงแดดนั้นนะ่ะ ม, มันแรงใช่ไหมวันนี้ก็ยังแรงอยู่นะแดดอยู่นะ จะให้ก้อนเมฆเนี่ยมามาปิดบังพวกบรนิอิสรอีนไม่ให้แดดเผาแรงนี่ก็เป็นเนี่ยมาเดีออ๋ยลรอใหอ้แบบนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนก็ตามก่อนเป็นนบีด้วยนะถ้ายิงคอดิยาเคยสังเกตส่วนนบีไปค้าขายอพอได้เวลาก็นางก็จะยืนมองอยู่บนตึกชั้นสองบ้านเขานะสังเกต เวลานาบียังมาเดินกลับมาจากค้าขายจะมีก้อนเมฆเนี่ยเดินคุมนาบีอยู่ท่านก็สงสัยเองทำไมต้องมีก้อนเมฆสังเกตสังเกตมาตลอดที่นัรอ่านเล่าให้ฟังในฮะ ด, ดีสเล่าให้ฟังนะครับบันนีอิสโรโอลีก็เหมือนกันแดดเผาแรางๆก็ให้ก้อนเมฆมาม า, มาปิดบางคนเหล่านี้ไม่ให้ทรมานเยอะข้อข้อที่หลดได้ประทานให้แกพวกบัีอิสลโอลีเนี่ย อัลมันน่ะัลซัลวาเป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งนะอัลมันก็เรียกว่านกคุม้มอัลซัลวาเนี่ยเป็นของหวานชนิดหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ยังมีขายอยู่ในประเทศอิรักอยู่นะมันเนี่ยก็มีอาหรับคนหนึ่งเป็นคนอิรักโทรศัพท์มาหาผมอาทิตย์ที่แล้วเขาซื้อมันเนี่ยมาจากอิรัจกจะเอามาให้ดียาให้บว อ, อ, อาทิตย์หน้าก็แล้วกันปีใหม่ก็แล้วกันวกแบางนี่า วันหลังก็ถือมาให้ไปแล้วการคุณจะดูว่ามันน้มันเป็นยังไงนี่อัลลอฮ์ให้กับพวกบรนดีอิสรอมีเนี่ยหกอยา่างเป็นของดีหมดเลยนะแต่พวกนี้ไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลยย้ายย้ายเนี่ยอมามัดอันนั้นเนี่ยแทนที่จะให้เป็นอุมมาที่ประเสริฐที่สุดอัลลอฮ์ย้ายมาอยู่กับอุมมาของนบีมุฮัมมัดมาอยู่ที่นครมักกะแทนกระจายไหม มันก็ลูกน บ, บีอิบราฮิมทั้งสองคนนับบ่นแหละนบีอิสมาอินอยู่ที่มักการน บ, บรีอิสฮะกอยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์อัลลอฮ์เปลี่ยนเอาเนอมัต์นี่กลับมาอยู่ที่นครมักการเพราะอุมมาของน บ, บีมุฮัมมัดของพวกเราเนี่ยเป็นอุมมาที่นอบน้อมแล้วก็ถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ผ่านน บ, บีมุฮัมมัดสุล ล, ลบบัลลอฮฺอีกอยู่ประเสลิฐแต่ที่พวกเราเนี่ยเป็นอุมมาสุดท้ายแล้วนะจะไม่มี อุมาไหนมาอีกแล้วนั่นอุมาของนบีในเป็นอุมาสุดท้ายที่ดีที่สุดที่อลัลลอฮ์ยกย่องนะเพราะว่าเคยให้มาแล้วไม่สําเร็จตะกบบุษเยอะยิงจองหองอลัลลอฮ์เรียบพูดในคัรอุาอนบอกว่าซิฟัตตะกบบุษเนี่ยเอามาใช้กับมนุษย์ไม่ได้มักลูกในเอาซิฟัตของอลัลลอฮ์มาใช้ไม่ได้คือเยอะยิ่งจองหองอวดดีแค่มีตําแหนง่งพองแล้ว อย่างหามานใช่ไหมกอรูเนี่ยแค่มีเงินอลัลลอฮ์ให้มีเงินเยอะนะ่ะวางกล้ามแล้วเยอะยิ่งจองหองอวดดีอลัลลอฮ์ทาลายหมดเลยเนี่ยนี่เตือนนบีมุฮัมมัดแล้วให้มาสอนพวกเราวันนี้ละอย่าหลงตําแหน่งอย่าหลงกับไอ้ความร่ํารวยที่อลัลลอฮ์ให้มาเนี่ให้เพื่อการทดสอบหมดเลยนะแต่พวกบัญญัอิสลอมเนี่ไม่ผ่านหมดเลยเพื่นอนลก็ไม่ผ่าน ถ้าจะผ่านก็อุมมาของนบีมุฮัมมัดนี่แหละอินชาอัลลอ์เอาช่วยกันอ่านกูนอ่านแล้วก็ทำตัวให้นอบน้อมถ่อมตนต่ออลัลลอฮ์จะได้รักษาเนี่ยมัดอันนี้ไว้นานอันอินชาอัลลอฮ์จนถึงวันกิยมามะเลยนะทำดูเลยแหละ <c oughs> ต่อมาวันนี้อายาที่เท่าไหร่ครับยี่สิบสี่นะครับวะซุรุกิลบะฮ์รราห์ อินนาฮุมจุนดุมมุรอกุนวาชุโกิล بحر ะหะอินนาฮุมจุนดุมมุรักุนอะล ham นะอัลกุรอานอายาที่ยี่สิบสี่สรอัดดุคอนอันทีบาดุคอนนิดน่ี้ยเรานาลืมดุคอนเนี่ยมีสองครั้งครั้งแรกเนี่ยมาแล้วนะ สมัยน บ, บียังมีชีวิตอยู่พวกนี้วางแผนฆ่าน บ, บีทำลายน บ, บีจับน บ, บีอเล็กก็ลงโทษให้เกิดมีไอหมอกขึ้นมาแล้วก็ความแห้งแล้งเนี่ยในนครมักกะเนี่ยจนกระทั่งกินหมานะ่ะในตัสซีอธิบายว่าจนกรทั้งกินหมานะ่ะต่อมาก็ประมาณเจ็ดแปดปีในะแห้ง แ, งแล้งอเล็กก็ นบีขอดูอามาดานคนดีก็ขอดูอา้าต่อร้องเราก็ขจัดดูคอนไปแต่ดูคนอนไอหมอกจะมาอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆหวันตียามะทำไมต้องมาละ่ะเพราะว่าคนดีเอาล้อให้ตายหมดเหลือแต่คนชั่วชูอ่ <c oughs> มีอยู่สามสี่เหตุการณ์หนึ่งดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกอันนั้นถ้าใครคิดจะกลับตัวเป็นคนดีหมดสิทธิแล้วนะตอนนี้เปิดโอกาสให้เตาบ้าตัวได้ ถ้ามีสมุกมามีดูคอนมามีไอหมอกมาก็จบเหมือนกันแล้วมีดัตยานมาในตะยานเริ่มมาแล้วนะแล้วก็จะมีอะไรอย่างนะ้มีสะมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่โผลออกมาจากดินแล้วก็จะไปประทับตาที่นาผาคนทั้งโลกนี่แหละคนไหนเป็นกาเฟตจะประทับตาที่นาผาวันนี้ยังอยู่แอบแอบก็อยู่ใช่ไหมอะไรยังให้อะไรเยอะไปหมดแต่วันนั้นนะ่ะจะเดินประทับตานาผาคนนี้เป็นกาเฟตกาเฟต กาเฟตผู้ผู้ผู้ผู้ปฏิเสธนะครับเราไม่ได้ด่าใครนะนี่เล่าให้ฟังนะครับวัชรุกิลบาฮรอวัชรุกิลแปลว่าจงทิ้งมาจากตารก้านี่เป็นแฟนอมจงแปลว่าจงนะมูซาเอ๋ยจงทิ้งหรือจงปล่อยอัลบาฮรอแปลว่านะทะเลหลังจากนบีมูซานี่ข้ามทะเลไปแล้ว นะพอข้ามไปแล้วแล้วก็พวกเบนีอิสราออลก็เดินตามน บ, บีมูซาไปบีมูซาไปยืนอยู่ฝั่งทะเลฝั่งขนุนแล้วก็มองกลับมาน บ, บีมหาตองการจะให้ทะเลเนี่ยให้น้ำมาไวๆอลัลลอฮ์สั่งอย่าเพิ่งใจร้อนใจเย็นๆปล่อยให้ทะเลให้เป็นถนนเดินข้ามทะเลไปอย่างนี้แหละสักระยะหนึ่งอีกัก กี่ชั่วโมงเราก็ไม่รู้นะในตำสิบจะอธิบายเอาไว้ปล่อยทะเลเนี่ยร้ันนั้นแปลว่าสงบนิ่งให้อยู่เฉยๆบันิอิสรีเดินข้ามผ่านไปแล้วใช่ไหมน บ, บีมูซายืนมองอยู่ในใจในบีมูซาต้องการด้วยจะให้ทะเลเนี่ยให้น้ำกลับมาไวๆไม่ให้ฟาโร่โดเดินลงมาใช่ไหมอลัลลอ์สั่งมันก็วะฮีลงมาให้กันนบนบีมูซาว่าวัดุรุกิล بحر ร, รหวัว และมูซาเจ้าจงละทะเลให้สงบนิ่งนะครับอินนาหุมยุนดุมมุกรอกูนแท้จริงพวกเขาจะข้ามทะเลตามมูซามานี่นะพวกเขาจะจมน้ำตายทั้งหมดมุกรอกไปไว่าถูกจมถูกให้จมน้ำตายเนี่ยร้อน เ, เล่าให้ฟังเล่าให้นบีฟังหัวนบีมูซาเนี่ย เป็นนบีที่อดทนสบัิอดทนทำงานศาสนาไม่ได้หยุดเลยถูกลังแกถูกหนีให้ไหมต้องพาคนที่มีอ ي มานต่อร้อนเนี่ยหนีจากประเทศอะไรนะจากประเทศอียิปต้องข้ามไปทะเลไปฝั่งกระนู้นไปอยู่ที่เมืองมัดยานอย่างนี้เป็นตนน้นแะ่ท่านทิ้งบ้านทิ้งบ้านเมืองตัวเองไปอยู่ที่อื่นเนี่ยงานศาสนานะ่ไม่มีนบีคนใดที่อยู่สอศาสนาแล้วก็ อยู่แบบสงบนิ่งนะไม่มีมีแต่ปัญหาทั้งนั้นอย่างนาบี ม, มุ hammad อยู่ที่มักกะใช่ไหมพวกนี้ก็วางแผนจะจับตัวจะขังนบีจะฆ่านาบีอัลลอฮ์ก็ให้นบีฮิจระนะอนอพยพจากนครมักกะไปอยู่ที่นครมดินนะไอ้นี้ก็สั่งให้นบีมูซาอพยพบันกันอพยพจากเมืองอียปิปไปไปอยู่อีกเมืองหนึ่งแต่อพยพมันต่างกันนะ นบีอุปยพคนลำบากเหมือนกันนขีแร้งน่ขีข่อูดไปต้องไปแอบที่ถ้ำใช่ไหมน่ะสามวันสามคืนใช่หมส่วนรคือตอนขึ้นแม่รอดเนี่ยเข้าหาเรามันน่าจะงานหนักใช่ไหมแต่งานเบาอ่ะมีมีอะไรนะบุรอกเข้ามารับนบีขึ้นไปข้างบนแล้วกลับมาข้างล่างเนี่ยไปคืนเดียวกลับมาดมาสุโบธันเนี่ย แต่ฮิจารอ้อนี่บร็นงานหนักนทุกนบีฮิจารอ้อนี่เหนื่อยหมดเลยจะนั้นนบีมุสาก็พาบปใอิสราเอลอนแล้วก็ฟิลิป์ก็เดินตามมาพอมาถึงทะเลทะเลอลัลลอ์ให้น้ำทะเลเนี่ยน้ำกลับมาอีกครั้งหนึ่งทหารตายหมดเลยประมาณ 7-8 ดแสนคน น, นี่อัลลอ์เล่าใ น, นกาบกุรอานอินนาหุมยุนดุมมุกรากูนแท้จริงพวกเขาที่จะข้ามตามมานั้นเป็นพรพล ถ้าถูกจมน้ํารอฮายาหูรอฮวนนี่แปลว่าสงบนิ่งน้ําทะเลสงบนิ่งเฉยๆเอาร้อนสั่งน้ําทะเลให้สงบนิ่งนะทะนั้นอยู่บกดุนยานี่ไม่มีอะไรที่เกิดเองโดยความบังเอิญไม่มีเอาร้อบริหารจัดการหมดเนี่ที่เรานั่งตามเสียกันวันนี้เนี่ยนี่เอาร้อจัดการ่ะ เราจัดการทั้งหมดเลยมันนั่งกันวันนี้กี่ร้อยคนกี่พันคนก็ตามแล้วมีหนังสือวางอยงหน้าเนี่ยมีครอบครัวอาจารย์เด็กๆก็บริจาควานะแล้วก็ถูกดา่าถูกฟิตนาเยอะอ้าวเราแค่นี้พอนะครับโอเคคนทำงานศาสนาเนี่ถูกหมดนะนะพูดผิดนิดเดียวนะโอโลด่าร้อยปีเาอกตต่อมาครับวัทุรูกิลบะ์รอรอหว และเจ้าโมซาจงละทะเลที่สงบนี้ไว้เบื้องหลังนะครับโดยปล่อยให้พวกนี้นะพวกทหารพวกนี้นะข้ามตามมาทีหลังพอข้ามมาแล้วเป็นไงครับมวกรอกูเป็นไพ่พลที่ถูกให้จมน้ำนาอุสบิลลฮิเมนซาเลกถ้าวราจมน้ำเราตายแล้วน่ะจบหรือไม่จบอ่ะจบไหมไม่จบ ถูกลงโทษในกูโบอีกอแล้วฟาโรวันนี้เอาล็อบเก็บศพเอาไว้ใช่ไหมอยู่ในพนะีรมิดน่ะอยู่ในประเทศอียิปตนะ์น่ะเก็บศพเอาไวนะ้น่ะเพราะเป็นคนที่นําคนให้เป็นคนชั่วตั้งตัวเป็นพระเจ้าเองแล้วก็สั่งฆ่าเด็กผู้ชายใช่ไหมเอาไว้ชีวิตคนผู้หญิงเนี่ยทำ ง, งานเรื่องชั่วๆหมดเลยจะนัดคําว่าฟรนโฮนเนี่ยพูดได้อีกอย่างในยนะนี้ตับซีนอธิบายดีนะ เป็นตัวแทนของความชั่วเรียกว่าเฟรอูนส่วนรอซูลเนี่ยเป็นตัวแทนของความดีเรียกว่ารอซูลฉนั้นอย่างรอซูลนบีมูซาเป็นรอซูลเป็นตัวแทนของความดีคำว่ารอซูลจะใช้ภาษานี้เมม่อะไรก็ตามนั่นคือเป็นตัวแทนของความดีทั้งหมดส่วนเฟรอูนใครเอ่ยคาว่าเฟรอูนั่นพูดตัว ต, ว, ต ว, ว่านี่เป็นตัวแทนของความชั่วหมดเลยครับ ต่อมากับตัวลองว่าจบ้ําแล้วนะจบใช้ไม่จบไม่จบถูกลงโทษอยู่ในกูโบวันนี้ถ้าถูกฝังอยู่ในกูโบถ้าไม่ฝังเก็บศพเอาไวา้วิญญาณถูกลงโทษกุณอ่านอธิบายเองนะเช้ากับเย็นวันหนึ่งสองครั้ง เช้ากับเย็นเช้าก็ถูกลงโทษทีเย็นก็ถูกลงโทษทีแล้วคนที่มีนิสยัยเหม็นแบบฟาโร่เฟนอุออนก็ถูกลงโทษเหมือนกันทุกวันบนโลกใบนี้นะครับต่อมาครับรการตะรอกู ม, มินจันนาติวาวยุน คำตารักุมินจันนาติวัวยูนในต๊อซีตอธิบาย บ, บว่าคนที่ถูกอัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยตอนหน้านาบีนบีเห็นนะจะเป็นนบีคนไหนก็ตามเห็นเห็นการลงโทษเนี่ยกับคนที่ถูกลงโทษแล้วนบีไม่เห็นเนี่ยต่างกันนะ คนที่ถูกลงโทษต่อหน้านาบีนบีเห็นนี่นะคนนี้นมันแล้วสุดสุดนั้นคนที่ถูกลงโทษแล้วนบีไม่เห็นนะคนนี้เป็นคนเลวเหมือนกันแต่แล้วไม่สุดาต่อมาครับก <c oughs> ัมา <c oughs> ตาอรอกูมินยัน <c oughs> ต, ติวะยูนกัมแปลว่าเท่าไหร่ เท่าไรเนี่ยไม่ใช่จนจำยวนอนจวนวนมากนะเท่าไรมาแล้วนะครับตารอากูที่พวกเขาได้ทิ้งไว้เบื้องหลังต่อการจะอธิบายว่าฟารโรเนี่ยตอนที่มันอยู่นี่มันสร้างแต่วัตถุหมดเลยอะ่ะสร้างวัตถุวัตถุวัตถุวัตถุสร้างอะไรสร้างพระราชวางังวัตถุ ปูกตมนตต้นไม้วัตถุสร้างตึกกรามบ้านช่องเป็นวัตถุหมดเลยอะ่ะมำเอาวันนี้คนประเภทนี้อย่างนี้มีไหมในโลกนี้โอ้ <c oughs> ทีนี้คนที่เป็นมุหมินเนี่ยเอาล็อตลงนบีมูซามามาบอกว่าฟ้าเอ้ยทำไมสร้างแต่วัตถุวัตถุวัตถุวัตถุวัตถุทำไมไม่เอาของที่มองไม่เห็นบ้างไม่ได้ไม่ได้หรือเช่น อีมานตักวายตีนญยสานอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เนี่ยนามาที่ครับนี่มันเป็นอะไรนะมันเป็นอามันตุซไลทั้งหมดเองไม่เคยเรียนเลยนะ่ะสรงมูซามาก็ไม่เรียนกับดาอีกกไล่มูซาาอีกอย่างนี้ไปต้นฉะนั้นกรมตารากูเนี่ยอัลลอ์ถามกี่ตั้งตั้งกี่จันนาาแปลว่าสวน หลากหลายสวนอันมากมายเนี่ยถ้าว่าฟาโร่เนี่ยมันสร้างสวนนะมีปลูกต้นไทรปลูกนั่นปลูกนี้เต็มเป็นบทเนี่ยล้อเล่าเนี่ยล้อเ ล, เ ล, เ ล, เล่ฟังเองนะสะสมอะไรสะสมดุนยาดุนยาดุนยาดุนยาดุนยาแล้วก็ต่อมาครับวา่าอโยนแล้วก็น้ําพุจัดน้าพุให้ประชาชนให้พวกกิฟตี้อยู่สบายสบายเลยไปน้องครับสร้างสะสมแต่ไม่เคยสอนให้คน ในประเทศเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ตัวเองตั้งตัวเป็นพระเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ไล่ในคัมภีรอลกุรอานให้นบีบมูฮัมหมัดฟังและเตือนนบีบมูฮัมหมัดว่าของที่เป็นของคุณเนี่ยที่คุณสร้างเอาไว้นี่มัไม่ใช่ของคุณหมดเลยนะสวนที่สร้างไว้ก็ไม่ใช่ของคุณตาน้ำที่สร้างไว้ก็ไปนี่อะไรนะ <c ười> บอ่นบอน้งบ่อน้ําที่เราขุดขุดขดก็ไว้เนี่ยนะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขุดเพื่ออัลลอฮ์นะผลบุญไม่มีเลยนะ ปลูกต้นไม้ก็มาการทาปลูกต้นมไม้ไม่ได้หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอปลูกฟรีนะ่ะเนี่ยเราเล่ า, ำากำมันเต่ารักูมินจันนะติวะอุยูนตั้งกีสวนหลายแห่งและนา้าพุอีกหลายแห่งที่พวกเขาได้ทิ้งไว้เบื้องหลังนะั่นน่ะเป็นอะไรเป็นของคุณป่าป่าคุณตายแล้วจบไหมจบจานั้น ถ้าจะไม่ให้จบเป็นของเราติดตัวไปนะมีอยุยสามอย่างที่น บ, บีสอนประชาชนชอบพูดว่ามาลีมาลีมาลีอันนี้ทรัพย์สินของฉันอันนี้บ้านเช่าฉันอันนี้สวนทุเรียนฉันอันนี้สวนลูงเหรฉันโอ้ยคุยกันใหญ่น บ, บีเล่าว่ า, วาของของคุณมีแค่สามรายการนั้นอะไรรู้ไหมอากัศต่าที่คุณทานไปแล้วก็ถ่ายเป็นอุจระนั่นเป็นของคุณ และบิสต้าของที่คุณสวมใส่อยู่แต่มันขาดไปเก่าไปนั่นเป็นของคุณแต่สอดดัคต้าสีตคุณบริจาคนะคุาวของอัลลอฮ์เป็นของคุณหมดเลยนอกนั้นไม่ใช่หูตาสว่างอะ่ะท่านอุมาอบดุลบีมาเป็นอุมาเดียวที่เอาคําสองของนบีมาช้และพึ่ ง, งงานง่ายนะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามถ้ามาได้นึกถึงอัลลอฮ์นะลงทุนไปเถอะไปน้อง รางวัลหลังตายไม่มีเลยนี่ฟาโรห์ปเป็นกรณีตัวอย่างกัมเตอร์กูมินจาบินมินยันนาติวาวยุนที่พวกเขาได้ทิ้งเอาไว้ข้างหลังเนี่ยสวนมากมายแล้วก็ น, น้ําพุอันมากมายพาไปได้ไหมละ่ะผลบุญมีไหมละ่ะไม่มีเลยฉะนั้นอย่าเดินตามฟาโรห์เอาต่อมากับเพราเราว่าของที่เป็นของรานมีสาแค่สามอย่างนาะหนึ่งอากัศจั่ ที่ท่านทานไปละบิสตาที่ท่านสวมใส่ตัดอดดัก ท, ที่ท่านบริจาคในคุณทางของอัลลอฮเป็นของท่านหมดเลยลงตาอยู่อยู่ตายภาพโอ้โหอย่างสดสดดักเนี่ยรอท่านอยู่ในกูบบเลยนะด้วอย่างนี้เป็นตันเอาต่อมาครับย่าที่ยี่หวาซูรู و و อุวามะามินครีอลัลลอฮเล่าเองนะ จรวดไอ้หัมะกอมิงกอรีุรวด ม, มาจากจาร์อุนจาร์นนุจ่จรวดแปลว่าไรน่นาไรน่นาที่ฟาโร่บรรสร้างเอาไว้น่ะทำเอาไว้น่ะปลูกนูน้นปลูกนี้อะไรก็ตามแต่น่ะ น, นะทิ้งเอาไว้ข้างหลังหมดเลยวัวมะกอมินมะกอมแปลว่าอาคารมะกอมแปลว่าอาคารหรือว่ามะกอมมะกอมยินได้ ย, ดยินชายภาษานี้ยใช่ไหม นั่นคืออาคารละมอกอมอะอาคารไกริมอาคารที่ระโหฐานที่ใหญ่โตมโหฬารสร้างเอาไว้ลงทุนไม่รู้ว่าเงินเท่าไร่ยังหอคอยกับ ก, การติ่ฟาโรให้หา ม, มานสร้างเนี่ยถามว่าผลบุญนี้บ่าวเนี่ยไม่ได้ทําเพือ่ออาราเราทาเพือ่ออาราระวันมีไหมทำในเรื่อนี้เตือนคนอ่านกุณอ่า น, น, า น, น, านเล่าให้นบีฟังฉัน อ, น, นอ่านคุณอานอาย่านี้ต้องนึกโอเราเนี่ปลูกสวนไว้เยอะเลย มีตั้งห้าร้อยไร่น่ะจะมีรงางวัลหรือเปล่าต้องนึก <c oughs> มีชายอยู่คนหนึ่งในะสมัยนบีนบีเล่าเองนะในสมัยบันิอิสรออีนมีชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยเดินอยู่กลางทุ่งแล้วก็ได้ยินเสียงจากชันฟ้าสั่งก้อนเม่ ให้พาก้อนเมฆฝนไปตกในที่ของคนคนหนึ่งและเอ่ยชื่อด้วยชายคนนี้ก็ฟังอยู่มีเสียงเจ้าชันฟ้าสั่งก้อนเมฆให้พาก้อนเมฆฝนไปตกที่ในสวนของที่ของคนคนหนึ่งเขาจำชื่อเลยเขาก็เดินตามก้อนเมฆไปเดินไปเดินไปเดินไปก็ไปเจอสวนฝนกําลังตกตก ตกพอตกเก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในสวนถามว่าคุณชื่ออะไรเก็บอกชื่อแต่คนที่ถูกฐานทีถามชื่อฉันทำไมน บ, บีเล่าเองนะชายคนนี้บอกว่าฉันได้ยินชื่อของคุณจากบุชานฟ้าสั่งก้อนเมฆให้พาก้อนเมฆฝนไม่ตกในที่ของคุณคุณทำอะไรหรือถึงอัลลอฮ์ไ้พอใจคุณ สั่งก้นเมฆให้พาก้อนเมฆไปตกในที่ในสวนของคุณชาคนี้ตอบถ้าถามฉันว่าฉันทำอะไรบ้างนะฉันได้เงินจากการผลไม้เนี่ยจะเป็นเท่าไหรก่ก็ตามฉันแ บ, บ่งออกเป็นสามส่วนยังได้มาสมล้านหนึ่งล้านให้ครอบครัวไว้ทานล้านที่สองลงทุนล้านที่สมบริจาค เราว่าโอ้ไม่น่าทั้งเป็นแบบนี้อัลลอฮ์พอใจถ้ามีเงินนี่พี่น้องจะเก็บสะสมคนเดียวไม่ให้ใครเลยนะความวิบัติจะเกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นนี่อิสลามอะทำไมฟาโรห์จึงพังเพราะอะไรหรือมัเงเพราะมีมีไร่นามีอาคารม โ, โหูลานีสวนหลากหลานมีน้ำผพุดูแลใครบ้างอ่ะ ของกูของกูของกูของกูของ ก, องกูมันกลาบกูนะ่ะมันไม่กลาบกูมันถูกนะ่ะแล้วเป็นไงครับอัลล์ให้จมนำจาแาล้วกันเล่าให้ฟังอนะ่ะสร้างสวนมากมายมีน้าพุมากมายมีไรยย่านาเต็มไปหมดมีอาคารโมโหลานช่วยอะไรได้ละ่ะสามสี่ระการเนี่ยห้าหกรายการเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่ได้ทำเพื่ออัลลอ์สุบานอัลวอัลลอฮฺอลอั ลงมาอ่านกุณอ่านนี่อลัลลอฮ์เตือนเรานะอย่าหลงวัตถุนะวัตถุนะสร้างได้แต่ว่าสร้างเพื่ออลัลลอฮ์นะครับเราขอรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์สุภาโนกาลาต่อมาญ า, าที่ยี่สิบเจ็วันนี้อามะติงกาูฟิฮฟานวันวนี้อามะติงกาูฟิฮฟาน นี่ยนะแปลว่าความสุขสบายที่ฟาโรห์ทำมาไว้เนี่ยให้พวกกิปตี้นะอยู่สบายนะแต่บเนีย้ยอิสราเอลเนี่ยไม่ได้อยู่สบายนะลำบากกดเป็นทาสนะ่ะ้อเล่าเองกานนฟีฮาฟากรนพวกเขาอยู่ใหนเป็นพวกที่มีความสุขรรื่นตลอดเวลานี่ฝีมือเฟยเฟยรหูทำให้กับประเทศตัวเอง แต่ไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อตัวเองอัลลอฮ์เก็บเล่าให้ฟังหมดเลยให้ลรานบีหมัดฟังเพื่อให้นบีมาสอนว่าใครที่มีสวนใครที่มีมีความสุขความสบายอย่าลืมต้องนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยอย่าคิดว่าฉันทําเองนี่ฟาโรห์ทำให้ฉันฉันต้องกราบฟาโรห์ไม่ใช่นี่เตือนจะเป็นยุคไหนก็ตามคุรานนี้เตือนทุกคนยุคทุกสมัย เตือนนบีมามาดด้วยอย่าให้ประชาชนนั้นหลงวัตถุแล้เตือนพวกเราวันนี้ที่อ่านคุรอ่านท่านมีอะไรก็ตามแต่อย่าหลงวชันนี่แน่ฉะนั้นในคุรุอ่านใ น, นสุทธผ่านมาใช่ไหมอัลอาคิลละยาอุมัยดิมบาอุดหุมลิบาดินอดุอิลลลมุตตะกีนการที่เรารักกันในวันนี้แต่ชอบมาได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์ในวันกิยมกามาเนี่ยกลายเป็นศัตรูกันหมดเลยเช่นอะไรบ้างสามีภรรยาอยู่กันไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ พ่อกับลูกอยู่กันไม่ใช่เพื่อ Allah พี่ชายกับน้องชายอยู่กันไม่ใช่เพื่อ Allah พี่สาวกับน้องสาวกับพ่อกับแม่ไม่ไม่ ไ, มไมด้อยู่กันเพื่อ a ล l a h ยาวมาอิสิ่นในวันกิยามัต์บ่าวดูฮุมหรือบ่าดินอดุดต่างเป็นสัตว์ตัวสุนทรละกันอิ ล, ลัมมุตตีนยกเว้นคนที่อยู่บนโลกใบ น, นี้รักการเพื่อ Allah ช่วยเหลือการเพื่อ Allah มาเรียนกุณอ่านเพื่อ Allah เข้ามาสัสยิดเพื่อ Allah ซื้อรถบริจาคใครมูลหิธิเพื่ออัลลอฮ์หนังสือแปลคุณอ่านมาบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดนี้ถึงจะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้ามาใช้ธรรเพื่ออัลลอฮ์นะวันนั้นนะนบริจาคฟรีอย่างนี้เป็นต้นนี่เตือนไหมเตือนฟาโรก็ถูกเตือนแล้วดูนบีมูซาาจะเชื่อเป่าไม่เชื่ออย่างนี้เป็นต้นจากนั้นเราต้องทําทั้งหมดนี่เพื่ออัลลอฮ์แข็งแรงวันนี้นะใครให้ อ่าไม่ใช่กินนูน่นกินนี่แข็งแรงอันนั้นมันส่วนหนึ่งเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆแต่ที่อัลลอฮ์ให้น่ะเพราะยาตัวนี้กินแล้วก็ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้แข็งแรง ก, กินฟรีน่ะไม่ใช่ตัวยาทําให้แข็งแรงเพราะอัลลอฮ์บริหารจัดการมนุษย์แต่เพียงผู้เดียวต้องนึกตรงนี้ตลอดเวลาบางคนบางคนม า, ค, นาคืนนอนไม่หลับมีไหมมันต้องนึกอ่ะมีคนโทรศัพท์มาผมว่านมาใจมันลอย ก็บว่าอัลสุนานาบีผูชายเละ อ, อย่างไงอ่ะเวลายืนขึ้นนี่นะตามองที่สุูดแล้วใจมันจะไม่ลอยแล้วก็เวลารุ ก, กว้วตามองที่ปลายเท้าแล้วก็เวลานั่งกระจาญยาตามองที่ปลายนิ้วและใจต้องนึกว่านมาตร์นี่เป็นนมาตสุดท้ายจะไม่มีนมาตมาอีกแล้ว ว่าเออดีน่ะอ่ะฉันจะเอาไปทำอ่าเห็นไ้มฉะนั้นหลักการอิสลามเนี่ยคือสอนให้เราเนี่ยอย่าทิ้งอัลลอฮ์ให้นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาความสำเร็จทั้งหมดจะมาจากอัลลอฮ์สุบฮานุบานละอัะตวอมกักอะพยาที่ยี่สิบแปดกะดาริกวาวอรอสนาฮะก้าวมันอากริน คดัลิกาแอะรสนาค้าของคนอื่นฟาโร่เนี่ยทิ้งสวนเอาไว้มากมายทิ้งน้ำผู้เอาไว้มากมายทิ้งไรนาเอาไว้อาคารระหโหฐานยิ่งใหญ่แล้วก็มีโออารทัพย์สินเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ในประเทศอียิปต์อัลลอฮ์เล่าเองคดาลิกาในทำนองนั้น ว่าเอารสนาเราได้ให้เกามันหมู่ชนอื่นมารับมรดกปกครองแทนเห็นไหม <c oughs> ลงทุนร่วมตายแต่ผลบุญไม่ได้อร้อนเล่าเองนะฉันให้คนกลุ่มอื่นมาบริหารแทนมาเป็นเจ้าของแทนเรา่อง กาดาลิกะในทํานองเดียวกันว่าเอารสนาฮะเราได้ให้หมู่ชนเกาแมนหมูม่ชนอื่นรับมรดกปกครองอาคอรีนแปลว่ากลุ่มอื่นไม่ใช่กลุ่มกิบตีไม่ใช่กลุ่มบเนีไม่ไม่ใช่กลุมม่มฟาโรแล้วกลุ่มอื่นมาดูแลแทนเห็นไมเปลี่ยนมือเลยอะ่ะพระพาะทรยศ์ตรต้องนึกนะ ราเนี่ยถ้าต้องการจะให้เนี้อหมัดอยู่กับเรานานๆ น, นี่นะต้องขอบคุณอลัลลอฮ์นะถ้าเราไม่ขอบคุณอลัลลอฮ์นะทรยศต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เปลีป่ยนมือเลยนะพอเปลี่ยนมือแล้วจะสนึกตัวแล้ว อ, ลอัลลอฮ์กูไม่น่าทําเลยใช่ไหมก็หลายคนอย่างอ ย, าอย่าไปแตะ ก, กันเบือนกับปล่อยอย่างนี้นะคิดเองกันแล้วกันไปนอนตัวลองว่าลงทุนร่วมตายฟาโรห์นะ อยู่ตั้งมาตั้ง400ปีนะวัดก็ไม่เคยเป็นไม่เคยไม่เคยอายอะ่ะให้สุขภาพแข็งแรงนะอลัลลอ์ให้อยู่สบายเสร็จแล้วก็สร้างสมเต็มไปหมดเลยเอลัลลอฮ์เปลี่ยนมือให้วัตถุที่เองสร้างมาทั้งหมดนั้นผลลบุญก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมให้กลุ่มอื่นมาปกครองแทนรับกลุ่มกลุ่มอื่นนะใครรู้ไหมมีสองทัศนะหนึ่งให้บรรณาิสราเอลบอกไม่ใช่กลุ่มปาเลสไตนะ์มปกครองแทน ให้พวกปาเลสตินมาปกครองแทนนอีกรายงานหนึ่งบอกวา่าให้บ بني อิสราเอลเมื่อก่อนน่ะจับเขาเป็นทาสใช่ไหมล่ะรอให้ในอิสราเอลที่ออนแอที่ถูกจับเป็นทาสให้เป็นผู้ปกครองประเทศที่ฟาโร่เคยปกครองเขาเหยียดหยามเขากดขี่เขาดูถูกเขาให้กลับมามีอํานาจแทนฟาโร่น่าแตงไหม <c oughs> อยากนีเป็นตัวน่ะก็เตือนนักนั ก, น, กนักปกครองทั้งหลายเองต้องดูแลถ้า อย่าลืมว่าอำนาจการปกครองเนี่ยอลอให้น่ะเราจะโมกให้ใครก็ได้เรามาถึงตําแหน่งนเนี่ยกรรมการสุเราเอ็งก็เหมือนกันนะอลลอตั้งเองขึ้นมาดูแลขอบคุณอลล อ, รอหรือเปล่ า, า อ, อ่ะสจสวอเห็นไหมคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่ปกครองประเทศอยู่เนี่ยอย่าคิดว่าได้มาเพราะกูซื้อเสียงนี่ก็ซื้อเรื่ององเองอะผลบุญก็ไม่ได้รู่ะฉะนั้นต้องขอบคุณ อ, อัลอ เรามีที่ตรงนี้อยู่หนึ่งงานเอัทำด้วยนี่เ อ, อารอให้ต้องสุยอยู่ตอ่อรอดน่ะต้องขอบคุณต้องนึกนะ่ะเราไม่มีบ้านของตัวเองเลาทำด้วยล่อะอาถามว่านาบีมีบ้านใหญ่ข น, นาดไหนเรานะ่ยบ้านใหญ่กับนบีใช่หรือไม่ใช่แล้วบ้านนบีใหญ่เลยเล็กเล็ ก, เ, ลกเวลาสุยยูดเจอท้าวปรยาเราเนี่ยอลอวัดวัดสามชั้นอ่ะขอบคุณเราตรงไหนเช่นต้องนึกอ่านกุลอ่านตรองนึก นี่ลรอล่างในฟังฟาโร่จะมีดุนยาเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นไงครับรอดหรือไม่รอดไม่รอดอาต่อมาครับอายะที่ี่สิบนะครับฟามาบักัต علي ฮิมุสซาเมอัลอาบบะแะมะกาโนมุซริน فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا موريداني ดีมากเลยผะการจะอธิบายว่าฟาโรเนี่ยจมน้ำตายใช่ไหมทหารตายด้วยใช่ไหมประมาณเจ็ดแสนคนพร้อมกระรถม้านะและะ้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดจมน้ำทะเลตายหมดเลยเนี่ย เราเล่าเองมาบากักกัดบักกแปลว่าร้องไห้มาแปลว่าไม่อัสามาชันฟ้าวัลอาร์ตูแผ่นดินไม่ได้เสียใจสักนิดหนึ่งที่ฟ้าโรจมนมตายหนักไหมแสบไหม <c oughs> ในี่แสดงว่าคนชั่วตายนี่น่ะเอาตรงกันข้าม่ะชันฟ้าดีใจนะอ่ะอันนี้มันร้องไห้ใช่ไหม ฉันอรรล่าวเองนะฉันฟ้าและแผ่นดินไม่ได้เสียใจไม่ได้ร้องไห้แทนฟาโรห์และทหารฟาโรห์อีกเจ็ดแสนคนพร้อมจักรรถมา้าแล้วก็อาวุธอาวุธอีกเท่าไหร่อะที่พาเต็นมือไปนะ่ะจมทะเลหมดเลยนั้นฉันฟ้าไม่ได้ร้องไห้แผ่นดินก็ไม่ได้ร้องไห้ลองแปลตรงกันข้ามมาดีใจ <laughs> เออ คนอย่างเอ็งตายซะก็ดีจะดหมดหมดวามากานนมอรินและพวกเขาจะไม่ถูกผ่อนปลนนี่ไงใช่ไหมไม่ผ่อนปลนเพราะผ่อนปลนมาแล้วเนี่ยสี่ร้อยปีจากนั้นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ไม่ได้ทำงานเพื่อ a ลล a h มีที่ดินต่้งเยอะเอยอะมีเงินตั้งเยอะเอยอะไม่เคยบริจาคให้ใครเลยแล้วก็พอถูกลงโทษปั๊บเราลองไง้นะแล้วนะลพวกเขาจะไม่ถูกผ่อนปลนประวิงเวลาไม่เอาแล้วฉันกำหนดเองต้องจบวันนี้กระตดสินผู้อย่างจบมปเลยให้คนอื่นมาดูแลแทนกันองที่เมา่พูดถึงเรื่องร้องให้เนี่ยในตัฟเฟสอธิบายดีนะครับ ไอตัศส์ิษอินุกศิษย์อธิบายบอกว่าท่านอนนัสบินมาลิกรอบิอัลลอฮฺอันอาอธิบายบอกว่ามามิใน عبد ิอัลลอฮฺฟิสซามะอิบาบะนี่ไม่มีบ่าวคนใดในโลกใบนี้ประมาณ7จ็ดพันล้านคนตอนนี้เนี่ยนะทุกทุกคนเนี่ยจะมี2ประตูบนชานฟ้าทุกคนมี2ประตูบนชานฟ้าประตูหนึ่ง สำหรับขึ้นไปความดีขึ้นไปอีกประตูอีกบานหนึ่งสาหรับริสกีลงมาหาเขาทุกคนมีหมดเลยพูดใหม่นะบ่าวทุกคน ท, ที่เดินอยู่บนหน้าดุนยาใบนี้เนี่ยทุกคนมีสองประตูบาบุญยัครูยูมินโฮริสกูลประตูบานบานหนึ่งมีริสกีลงมาหาเขาทุกวัน อย่างเราเนี่ยที่ม า, าที่มาอัานมานามาทิสุเราเดินมามัสยิดเนพิสกี้ก็ลงมาทุกวันจะมาหายใจได้โอ้ยร่างกายแข็งแรงต้องนึกในพิสกี้จากอัลลอฮ์นอ่าต่อมาครับว่าบาบุนยาดกูลูมินุอามาลูวักกลามฮุอีปโตอีบ้านหนึ่งที่เรายืนนามาตรงนี้ที่เราพูดออกไปเป็นภาษาเชิญชวนคนให้จากอัลลอฮ์ขึ้นข้างบน ประตูหนึ่งริสกีลงมาประตูหนึ่งความดีที่เราทําการเดินมามัสยิดมีตรางวันใช่ไหมขึ้นข้างบนหมดเลยเราอบรมลูกพูดกับภรรยาเตือนภรรยาลูกเธอนาะบานะมาโซโบนาะมาตะหั ด, ดยุทธเดยวกันนะภาษาของเราเนี่ขึ้นมาข้างบนหมดเลยอะ่ะฉะนั้นประตูบานหนึ่งอามันสอนแลกกับคําพูดคําพูดด้วยนะไม่ใช่อามันอย่างเดียวคําพูดภาษาที่ออกไปจากปากเราเนี่ยนะขึ้นมาข้างบนเนราพอใจ อ, อัลลอฮฺ บาคนนี้มัอ่านกูอ่านทั้งวันเลยลแล้วคนดีละริสกีก็ถูกประทานลงมาใช่ไหมนั้นแล้วก็เอาวคนไหนก็ตามถ้าอามันจีซอแล้วไม่มีน่ะมีอะไรขึ้นไว้อะไม่แต่เรื่องฮพลอมกินเหล้ากินเบียรเล่นการพ น, นันคาคนนั้นต่อยคนนี้เรื่องชั่วๆหมดเลยแล้วริสกีมันจะมาไหมมันมาเหมืองกันมาแบบนี้แบบเราเลี้ยงหนูอ่ะ คือริสกี้มีสองอย่างนะริสกีที่ฮารองมาริสกี้ที่ฮา ร, รานนะอย่างเราเลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงนกเขาเนี่ยให้ริสกีมันใช่ไหมให้ด้วยความรักโอ้โหนกเขาขันดีหอยอาหารให้แมวอาหารให้แพะแล้รักมันอ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งหนูเนี่ยมันก็วิ่งอยู่ในครัวเราเนี่นะเราต้องการจะจับมันจับไงดีก็ต้องมาซื้อกงมา ใหญหน่อยจะมาเราเอาอาหารใส่ไปในกงถามว่าที่เอาอาหารใส่ไปในกงอ่ะให้หนูมันกินเนี่ยเพราะความรักหรือความหมันไส้ <c oughs> ริสกีจากบุนฟ้าก็เหมือนกันมาหาคนเพราะเรารับผิดชอบดูแลทุกคนอยู่แล้วจะมาเองจะเอ า, าศาสนาไม่เอ า, าศาสนาฉันให้อแต่ให้ให้แบบหนูจะมาละแต่เราถ้ า, เร า, ถาเราเป็นมุสลิมที่ إ ي م านต่อเราเราทําความดี อัลลอฮ์ก็ให้รูสกีแบบเราให้อาหารกับสัตว์ที่เราเลี้ยงด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความสงสารอ้าวเลือกเอ า, ออ า, ออาอนี่นี่คือที่คนตับสิทธอธิบายให้เราฟังแบบนี้อัลลอฮ์สบายใจเพราะฉะนั้นฟา ม, มาบากาสนาไลฮิมุสมาอุวันบากาสแปว่าร้องไห้มาแปลว่าไม่ชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่ร้องไห้ทําไมเพราะคนเพราะฟาโรตาย ทหารอีกเจ็ดแสนคนตายพร้อมกับสัตว์แล้วก็รถตุนรถนี้เต็มไปหมด อ, อ, อาวุธทำลายหมดเลยนะี่นะชันฟ้ากับแผ่นดินไม่ได้เสียใจแทนคนเหล่านี้เลยเอาต่อมาครับน บ, บีท่านอิบราฮิมไดรายงานบอกว่าท่านสุฟยานได้พูดบอกว่ายูกอลุตับกิลอรดอลัลมุมินินคนมุมินที่เสียชีวิต ชั้นฟ้าเนี่ยจะร้องให้อัลบาอินัสบาฮันสี่สิบเช้าร้องยังไงไม่รู้ชั้นฟ้าร้องยังไงไม่รู้แผ่นดินร้องยังไงไม่รู้เหมือนกับที่อลัลลอฮ์พูดแปล ว, ว่าสปปรรพสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาแบบนี้ต่างสรรเสริ น, นอลัลลอฮ์เรารู้ไหมไม่รู้แต่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังแต่วมื่นี้มนุษย์ก็เหมือนกันน่ะถ้าไม่สู้อยู่ต่ออลัลลอฮ์ก็เองไม่ต่างอะไรกับ ตาฟาโรสอะไรฉะนั้นต้องสูอยูุเท้าเราเนี่ยนะสูดยูดต่ตอลอดคือเป็นการเป็นการสูดกดตอลอดทีด่ดีดีดีที่สุดแต่ต้นไม้สูดยูดแบบไหนไม่รู้เราเคยผู้ใหญ่เคยคุยฟังมาคืนเห็นต้นไม้สูอยู่ก็หกต้นไม้ขอบคุณออลในท่าไหนไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่ของเราเนี่ยตก อ, อ, อะไรนะเอาหน้าใบหน้าเอาหน้าผากจดที่พื้นมีคนถ่ายรูปมา นกอะไรนะนกพิราบที่มักกที่ลานใบตุลอนนะ่ะมันสุอยู่เออพออ่านห้ามด้วยแล้วตาจะหลาได น, นั้นถ้าเราไมา่สุ่ยอยู่ ต, ตอลอดเนี่ยใครดีกว่านกนกพีราบที่มักกะน่ะดีกว่าเราให้เห็นแค่ครัง้งสองครั้งพอแล้ ว, วห้าด้แล้วเรหามด้ยแล้วลแลที่ไหนละ่ะ มีหลายแห่งมีหลายแห่งนะครับมีหลายแห่งอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยตัวลูงว่าถ้าจะให้แผ่นดินร้องให้ชานฝาร o n g ให้ใครตายรู้ไหมมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตายจะร้องให้ยังไงเราไม่รู้นะครับสาเหตุที่ขอร้องให้นะเพราะว่าไม่มีความดีขึ้นไปแต่ด้านคนที่เป็นมุหมินวันนี้นี่ขอสรุปนะ ต้องทำแปดอย่างทุกวันนะคนที่ฟังตับซีดนะภรรยาด้วยลูกๆเอาด้วยให้ทำแปดข้อข้อที่หนึ่งให้อ่านกุณอ่านทุกวันข้อที่สองน้ำมานยาขาดเก็บน้ำมานสุนัตสิบสองสสองสบสองเราะกะอาดนี่นะอย่าให้ขาดตะฮัจยุตรักษาด้วยแล้วก็ อะไรตอนตอนสายๆเนี่ยดูฮ่ารักษาด้วยวิเตสรักษาด้วยอย่าทำเฉพาะเดือน r อม a อนอย่างเดียวใช่ไหมข้อที่สมให้บริจาคคนยากคนจนดูแลมัสยิดดูแลโรงเรียนข้อที่สี่ให้ขอดัอาสม่ําเสมอดูอัลไปอย่างนี้วัเราขอแล้วอัลลอยให้ให้ห้าอย่างหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ชา้สาสขออย่างหนึ่งอัลลอยให้อีกอย่างหนึ่งเช่น ขอให้มีลูกผู้ชายเอาละให้ลูกผู้หญิงบางทีขอให้มีลูกเอาละไม่ให้เลยใช่ไหมข้อที่สี่ขออย่างหนึ่งเอาละให้อีกอย่างหนึ่งขอที่ขอข้อที่สี่ขอแล้วไม่ได้แต่บัละไม่มีขอยกตัวอย่างขออยากได้ร้านหน้าซีคอนขอมาเจ็ดปีแล้วไม่ได้ พอปีที่แปดอลอลอห์ให้ร้านมาร้านหนึ่งน่าสุคนไอ้ที่ไม่ให้มานะบลัลาไม่มีนะ่ะพอปีที่แปดได้ร้านมาพอเปิดได้บัลมาตั้งหกเจ็ดเดือนไฟไหม้อะนี่ไอ้เรื่องลับๆแบบนี้ที่ทอลอลอห์ไม่ให้เราต้องนึกในทางดีหมดเลยนะท่านที่ทอลัลลอห์ไม่ให้เรามีสิขอแล้วอยากได้นั่นอยากได้นี้อลอลอห์ไม่ให้อนะ่ะ ต้องนึกว่าเลาเนี่ยคงรู้ว่าถ้ามีจะเราคงแก้ปัญหาไม่ได้แนล่ละงานเนี่ยต้องขอบคุณอลลอฮฺบางคนแต่งงานอยากได้ลูกมีหลายคนน่ะลูกไม่มีอ่ะคืออาจจะเป็นว่าถ้ามีลูกขึ้นมาเนี่ยลูกยังจะฆ่าพ่อก็ได้ต้องต้องนึกอ่ะขอบคุณอลลอฮฺที่อลลอฮฺให้ฉันมีลูกใช่ไหมจะไ ด, ด้ดูแลมัสยิดดูแลโรงเรียนดูแลเด็กกำพรำกำพา ท, ที่อื่นบ้างอ่ะ ไม่ให้ดูแลครอบครัวตัวเองรูแลคนอื่นมันต้องนึกในทางที่ดีหมดเลยต้องนึกดีกับอัลลอฮ์นะครับอย่านึกตรงกันข้ามนะครับตกลงว่าให้ขอดูมาหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ชา้าขออย่างไม่ได้อีกอย่างหนึ่งขอแล้วไม่ได้แต่บาละไม่มี <c oughs> ข้อที่ห้าขอแล้วไม่ได้ไปได้ในโลกอาคิรอโอ้โหคนลืมนึกอะ่ะอย่างเนี้มีพ่ออยู่คนหนึ่งตายอะ่ะ นี่นบีเล่าเองนะครับปศุเฟื้นขึ้นมาในวันทียามาพ่อคนนี้อยู่ในสวรรค์พ่อคนนี้ก็ถามมาเราว่าเราชันมาได้ยังไงตำแหน่งเนี้ยชันนี่ยเป็นคนไม่ดีอ่ะเราก็บอกว่านี่นบีเล่าเองนะเพราะลูกของคุณลูกคุณขอดรับใหว้พ่อแม่ที่นเตือนเราไงฉันต้องบางทีลูกบางคนลูกไม่ขอดรับให้พ่อแม่เราก็อย่ามีดีวกว่า พ อ, อรู้อยู่แล้วแบบมา ก, ก็ไม่ขอรอายพ่อแม่อยู่แล้วแหละคือให้ครอบครัวบางครอบครัวมีลูกที่สอนและ ข, ขอดอาให้เวลาดูนสอนเลีย้ยงดญาติอาลูอย่างนี้เป็นต้นท่านอย่าลืมเดินผ่านกูโบบังไปเยี่ยมกูโบบังขออนาให้พ่อแม่ตัวเองใช่ไมครับบางทีขอแล้วไม่ได้แต่รอดให้ในโลกอาขี่ระองอย่างเนี้ยขอให้พ่อแม่เพราะมันจะไปสวรรค์หมดเลยไงอย่างดีเป็นต้นต่อมาครับให้ดิกรุ่นล่อดำเสมอ ข้อที่หข้อที่หให้ติดต่อกับเขื่อนยาที่เป็นอามันที่สอแล้วจะขึ้นข้างบนนะ่ะตลอดเวลาเลยนะครับแล้วข้อที่เจให้อภัยกับคนที่ด่าเราตาําหนิเรานินทาเราใส่ร้ายเราข้อที่8อดทนนะ่ะ ส, สบัตถามว่นานบีเนะอดทนหรือเปล่าอดทนในการเผยแผ่ศาสนาไม่เคยไม่อดทนไม่มีครับไปเมืองตออิฟผมเล่าประจำใช่ไหมหนึ่งถูกด่าถูกไล่ถูกไร ถูกขว้าง้วยหินยิบรีมาลัราก้าลงมาแก้แค้นไหมนบีเรียว่าแก้อย่างไงอ่ะฉันจะให้ภูเขาเนี่เจินชนกันแล้วก็ตายหมดเลยนยี่พวาแม่มวอัลลมะฟินลีกามีฟะอินนุมลายลมูนเาจะอภัยโทษให้พวกเขาเธอให้พวกฉันเธอคราพวกเขาไม่รู้นี่ยไงอดทนไหมอดทนให้อภัยกับคนดังนั้นรนนี้อัซูนา น, นาบีมาใช้ในชีวิตประจำวันและอินชาอัลลอฮ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจะจะดีหมดเลยครับทีนี้ก่อนจะจบนะครับอัลลอฮ์สั่งฟิริโอนเนี่ยแล้วก็สั่งสั่งมูซากับฮารูนเวลาไปสอนคนเนี่ยอนะิสฮาบะอิลลาฟิริโอนมูซากฮารูนเอ๋ยเวลาไปสอนคนนะฟาโรนี่มันเลวกว่าเราใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหม แล้วก็สั่งนบีมูซาดีกว่าเราใช่ไหมสั่งคนที่ดีกว่าเราไปหาคนที่เลวกว่าเราบอกว่าไงนะฟากูลาลหูเกาลันลยีนันจงพูดจาดีๆกับเขาเห็นยังสั่งคนที่ดีที่สุดคือนบีมูซากะฮารูนสั่งให้ไปหาคนที่เลวที่สุดในโลก สั่งมมชาฮารูดไปพูดจากับเขาต้องพูดจาไลยีนันนิ่มนวล น, นี่สอนเราน่ะจะคุยกับเมียจะ ต, ต, ต้องต้องด่าด้วยลนะ่ะด่าคําทําไมอะ่ะคุยดีๆไม่ได้เลยยิ่มก่อนคุยไม่ใได้ละให้สลามก่อนนี่อัคราของคนที่เป็นผู้ศรัทธาตอลอดต้องพูดจาดีๆกับพ่อกับแม่แต่พูดจาดีหมดเลย ขอตาแม่ยายอ่อนล่อต้องพูดจาดีหมดเลยอะจากศัตรูที่มาดา่าเราก็ต้องพูดจาดีกับเขา่ที่เีการดาวาอิสลามฉะนั้นจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามต้องนึกฉันจะต้องดาวาอิสลามเรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์และด้วยการปฏิบัติและด้วยภาษาและการพูดละอัลลอฮฺยาตาซกะละอายักชาบางทีจะทําให้หัวใจของเฟรนโอนอ่อนก็ได้หรือกลัวอัลลอฮ์ก็ได้แต่ได้ไหมไม่ได้ เพื่อจะสอนให้คนทำงานศาสนาว่าอย่าไปหวังว่าเขาจะอีมานอยู่ที่อัลลอ์เรามีหน้าที่สอนอย่างเดียวใครจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่อัลลอฮ์หมดแต่เราต้องขอนูอาเลยนะอย่างลูกต้องขอนูอาเราบรราฮับละนามินอัลวาจินาวาซูริยตินากุรอานะอยุนวาจะอันนาลิมุตตะกีน่าอิมานเนี่ยอ่านกุรานรับความรู้เยอะมากทำจะไปลวโอ้ นบีมูซาเคยเคยถามประชาชนคนที่อาเลมที่สุดนะใครมูซาตอบเองผม <c oughs> นั่นน่ะพลาดแต่ละก็สอนมูซาสอนจนกระทั่ทงยอมรับเออใช่เลยเช่นนี่เดี๋ยวก็ค่อยๆก็อธิบายไปนะนะตรลงว่าจะคุยว่าตัวเองเกง่งอย่าคุย ฉันรวยกว่าฉันดีกว่าอย่าคุยต้องมองคนอื่นเด่นกว่าเรานั่นแหละคุณอ่านสอนเราให้มองคนอื่นเด่นกว่าเราอย่ามองตัวเองเด่นกว่าคนอื่นนะครับเราจะได้ทักเขาได้ยิ้มเขาได้อภัยให้เขาได้สลามเขาก่อนได้ได้มถ้าเจ้ามองรู้ตัวเองเด่นกว่าคนอื่นนะมึงเอ้ยมันจะมองใครแล้วสุฮานะกอลลอฮฺอูมามบิฮัมดีการัชวันลิลลาอิลลาอิลาอะอัสตัคุร์กะบะตูเบะ ขมาในบ้าน